ลานหินน่ะปรากฏเหมือนฝาปิดนครเนี่ยประมาณสามคาวุธนั้นชาวเมืองตกใจพากันยกกระด้งเป็นต้นเหล่านี้ไว้เหนือศีรษะลองคิดดูว่าความเร็วอ้ยมความเร็วของการยกแผ่นหินยกแผ่นหินขึ้นไปที่จริงท่านใช้ใช้นิ้วเท้านะใช้เท้าเขียบขึ้นไปเนี่ยนะแผ่นหินนะ่ะประมาณสิบสองกิโลนี้จะปริมณทลเนี่ยนะ แล้วก็ความเร็วของการวิ่งของการวิ่งรอบกรุงราชเกลือคนก็เห็นปิดหมดเลยใช่ไหมปิดท้องฟ้าหมดเลยเร็วมากอะ่ะเห็นเป็นมองขึ้นไปโอ้จะล่วงเลยเราหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไปหลบต้นไม้บ้างหลบกระดงบงอีโนบางคนต้อนะ ง, ง, งคิดดูเอ้จริงๆเอากระดงไปรองข้างบนจะอยู่ได้เลยเนะี่ยถ้าตกมางจริงไหวไหมไม่ไหวหรอกแต่ว่าจะทํายังไงได้ใช่ไหมความตกใจอะ่ะไออยากดูก็อยากดูไ อ, ก อ, กอกตกใจก็ต้องอยู่นี่เป็นอย่างนี้ ทีนี้ว่าพอในลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ให้หมุนเหนือกรุงราชเ ค, ครือเจ็ดค้างลานหินปรากฏเหมือนฝาปิดนครเนี่ยสามข่าวุธชาวเมืองก็ตกใจดังกล่าวพากันแอบในที่ต่างๆพระเทละทําลายก้อนหินในวาระที่เจ็ดแล้วแสดงตัวทําลายโยนทิ้งเลยนื้อหมาชนเห็นพระเถร่าแล้วพากันเรียกร้องว่าท่านพระปินโทลภาระทวาชา้าท่านจงถือก้อนหิน ก้อนนั้นให้มั่นนะอย่าทําไม่ก้อนนี้นั้นตกลงมาให้เราพินาศเลยตอกใหญ่กันอนีนี่ปฏิหารพระเทเรใช้ปลายเทา้าคีบก้อนหินซัดออกไปลานหินนั้นก็กลับไปอยู่ที่เดิมพระเทเรยืนอยู่เหนือเรือนของเศรษฐีเศรษฐีเห็นดังนั้นกมอบกราบโอ้โหเทนี้พุทธังตรนังกชามิเรียงเทนีเนี้ยพุทธังตรนังกชามิทำมังตรนังกชามิ สังขังสารนังขจามิวอกข้าพเจ้าขอถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ่ะลองว่าก็สามข้างว่า ง, างันเ น, าาาเ น, เนี้ทุตียามปีอาช้าตะเคปานุเปตังพุทธังสารนังขจามิทุตียามปีอาช้าตะเคปานุเปตังดำมังสรารนังขจามิ ตติยามปีอจฉาตเกปานุเปตังสังขังสระนังขจามิตัติยามปีอจฉาตเกปานุเปตังพุทธังสระนังขจามิตัติยามปีอจฉาตเกปานุเปตังธรรมังสระนังขจามิตัติยามปีอจฉาตเก ปานุเปตังสังขังสารนังขจามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม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 เอาชีวิตเป็นที่สุดรอบเอาพบเป็นที่สุดรอบเอาเอาวัยวะเป็นที่สุดรอบเนื้อตราบใดเราชีวิตยังมีอยู่เราจักถึงสารณะอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวตราบใดยังโงนเวียนไหวาตายเกิดในการมาพบรูปพบและรูปพบอยู่ยังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏจักแนบสนิทในพระรัตนาตรายอย่างไม่หวั่นไหวเห็นคุณของพระศาสดาแล้วเนีเห็นในฐานะเป็นศีล ส, สมาธิปัญญาก็เข้าใจนี่เนะ พระเถระก็รับบาตรเดินมุ่งหน้าเลยแล้วก็ให้คนนําบาตรลงมาบรรจุของอร่อยสี่ชนิดเต็มถวายในมือของพระเถระพระเถระก็รับบาตรจากท่านเศรษฐีไปยังวัดครั้งเราชนผู้ยืนอยู่ในปา่าอยู่ในนาไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์นะภายนอกเมืองได้ยินแต่ข่าวหรือพากันชุมนุมติดตามพระเถระท่านผู้จเจริญท่านจงจแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้พวกเราดูด้วยเถิดท่านจงแสดง ตามสมควรแก่ชนเหล่านั้นก็เดินตามไปที่วัดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยปฏิหารเหล่านี้พระาศาสดาจึงจำเนี่ยว่าไม้ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยไม่ค่อยดีเลยพระาศาสดาจึงบอกว่าโอ้โหการแสดงฤทธิ์เนี่ยคนมันเพี่ยมันร่มหลงกันคนชอบไปหาพระเนี่ยได้มากไปหาพระที่เอ้ยท่านผู้นี้จะทายใจเราได้ไหมไปนั่งดูขนาดทายใจไม่ได้ยังให้ท่านดูดวงดูหมอได้ นั่งให้ท่านเปิดตำร า, าอ่านตำร้ายฟังตายผิดตายถูกกันเนี่ยเนี่ยก็เราก็ไม่ชอบแบบนี้เนี่ยทัางๆนี่รู้รู้บางส่วนเนี่ยรู้นิดๆหน่นนนอยๆแค่นั้นเลยก็อยากจะรู้นับถือศาสนา แ, แย่ๆยังไปสั่นตี้วกันแกล้งแกลกกอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยเราไม่ชัดเจนในพระธรรมคําสอนเลยเดินผ่า น, นแล้วไปเห็นว่าวางอยู่ในวัดเราก็เนื้อพระก็เนี่ย ไม่ใช่คําสอนอะไรเข้าไปก็ไปกระเย่ากันแล้วปุ๊บปนั่นแหละเอาชีวิตไปฝากไว้กับไม้ชิ้นเดียวนั่นเองนี่ความไม่ชัดเจนในศาสนาของพระชินอาเจ้าก็เป็นอย่างเนี้ไม่ชัดเจนเลยนี่พวกเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมาครั้งนี้ใช่ไหมกลับไปเราจะไม่นั่งเอาชีวิตของตนเองไปฝากไว้กับไม้ซี่เดียวแล้วบางคนก็ความความงายๆมีอยู่สองงานน่ะโยนอยู่นั่นเองโยนความโยนงายโยนความโยนงายมันโยนผิดแล้วมันไม่ถูกกระจายกลับไปโยนใหม่ ก็เป็นอย่างเนี้ยชีวิตจะไปฝากไว้กับไม้สองอันเนี่ยแล้วทุกคนลองคิดดูที่เอาชีวิตไปฝากไว้กับไม้นั่นเน่ยเอามาป่วยยอมแม่ไปบนว่าพุทธรูปก็าให้อ้าปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ปไู้ปเลยต่อไปเอาไม่เอาแล้วงั้นยอมแม่บอกไม่เอาแล้วเอามาไปดูนี่มันรูปใครมันชื่อใครเอาจะเอาชื่อออกมาไปสรากติดพุทธรูปซะอีกอามาเมยังไม่รู้จักคนของภาษาสดา คนของพระาศาสดาเนี่ยท่านขับเน้นความเข้าใจเนี่ยโยมแม่เนียักเน้นความเข้าใจทีนี้อา้าวโยมแม่ไปใส่หมวกต้องถอดหมวก่ปลาโยมแม่จะเป็นอาบัตินี่ยโงต้องถอดน น, น, นยโยมแม่เีย <c oughs> เอาออกก็นไม่เป็นไรแล้วเปนน็นเนียทีนี้หลังจากนั้นพระาศาสดาได้ยินเสียงบรลืองั้นก็ตราถามว่าอนนท์นั่นเสียงใครเมื่อพระอนนท์กราบทุนว่าพระน องพูเจริญพระปินโทราพาราทวาชะหอบไปอาบาทไหมจันพระเจ้าค่ะนั่นเป็นเสียงหมหาชนในสำนักของพระปินโทราพาราทวาชะโหมากันเต็มหมดแล้วบอกว่าพระองค์จึงสั่งรับสั่งให้เรียกท่านพาราทวาชะตามเธอเธออย่าทำอย่างเธอทาอย่างนี้จริงไหมเมื่อท่านกราบทูลว่าเป็นความจริงก็ทรงตำหนิพระเทวะว่าภาราทวาชะเพราะเหตุไรเธอจึงทาอย่างนี้ แล้วก็รับสั่งให้ทําลายบาทนั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรับสั่งให้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อบดเป็นยาหยอดตาแล้วก็ทรงบรรดาศิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิฤทธิเลยฉะนั้นห้ามแสดงฤทธิ์พวกเดรัถถีได้ยินว่าพระสัมามญญาสัมพุทธเญ้าทรงบรศิขาบทแล้วก็พากันคิดว่าสาวกของพระสัมามาสัมพุทย่อมไม่ก้าวล่วงสิขาบทบัญญัติแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต บัตรนี้พวกเราได้โอกาสแล้วเอาเลยไม่ขึ้นมาเป็นดอกเหตุอีกแล้วนี่เป็นอย่างเนี้เนี่ยพอรู้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าคุณก็ภาษาสดาดังแต่พอรู้ว่าภาษาสดาห้ามการแสดงลทธิพ์พ่อเหตุแห่งสกาละเหล่า น, นี้แล้วเนี่ยเออต้องต้องแสดงเพื่อเหตุแห่งสการะนี้เนี่ยงั้นแต่เราเห็นว่าเออพระตรงนู้นตรงนี้ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ที่อะไรต่างต่าเนี้ยเราก็จะได้ชัดเจนเนะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วพระาศาสดาไม่สนับสนุนในการแสดงลักษณะอย่างนั้นพราะเหตุแห่งบาดในการก่อนแต่สาวกของสมณโคโดมมากันแสดงพากันแสดงบอกว่าพระสมมนาโคโดมได้ทําลายบาดนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวกพระองค์ทรงเป็นบัณฑิตบัทนี้พวกเราจะทําปฏิหารกับพระศามนาโกดม ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารสดับถ้อยคำนั้นแล้วก็ไปในสำนักของพระศาสดาก็ทูลว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญได้ทราบว่าพระองค์บรรจัดศิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อไม่ให้ทำปฏิหาริหรือพระเจ้าค่าใช่แล้วมหาบอพิษบอกว่าเวลานี้พวกเดรัจีพากันกล่าวว่าจะทาปาฏิหาริกับพระศาสดาแข่งกับพระศาสดาบัดนี้พระองค์จะทาอย่างไรม มหาบาพิษเมื่อเดรัจฉีเหล่านั้นจะกระทำตาคาคตก็จะกระทำว่าไงเนี่ยเอาเลยรแต่เนี้ยเนี้ยเนี่ยทีนี้ตาคาคตจะกระทำว่าไงคือจกแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ย<อ>เพื่อให้ให้เดรัจฉีเหล่านั้นเห็นแล้วก็โปรดพุทธบริษัทด้วยเป็นต้นอะไรเนี้ยพระองค์บรรจัดสิกขาบทแล้วไม่ใช่หรือมา ห, หาบาพิษตาถาคตไม่ได้บรรัญญัติสิกขาบทเพื่อตนน้าไม่ใช่บัญจัิสิกขาบทเพื่อตนนะนรรตนนะแต่ บรรยัญญสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายของตถาคตชตัดเจนเลยตันเนี้ยโอ้บรรดาเดี๋ยวทีกําหนดผิดไปไปท้ากับพระพุทธเจ้าเขายุ่งเลยตันเนี้ยไหมท้าตัวจริงแล้วตันเนี้ยลาบากพระองค์บัรยัสิกขาบทแก่มหาชนเหล่าอื่นนะเลี่ยงคํเขาละคำเลี่ยงคําของพระองค์พระเจ้าข้าบอกเงั้นบอกหมายก็กว่าพระหาพรพิษถ้าอย่างนั้นตถาคตจะขอย้อนถามบอกเอ๊ะพระเจยาพิมพิสารก็วิตกกังวลเอ๊ะ อย่างนี้อะจะเป็นการพูดหลบไปหลบมาหรือไม่พระศ า, าสดาก็เลยบอกว่าจะอุปมาว่าในเรื่องในอุทยานเขาบอกองค์มีมะม่วงอยู่หรือบอกมีอยู่ไหมในอุทยานเนี่ยมีอยู่พระเจ้าค่ะมหาบอกพิสท่ามะม่วงเนี่ยมหาชนเนี่ยท่ามหาชนกินมะม่วงนั้นพระองค์พึงทําอย่างไรบอกลงอาชญาพระเจ้าค่ะใช่ไหมก็มาต้นมะม่วงในไร่ในอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยถ้าคนอื่นมากินเนี่ยโดนลงโทษหมดเลย พระองค์สวยได้ไหมได้พระเจ้าคายพระอันนี้ก็บอกถามว่านี่สมบัติของแตถาคตเนี่ยตถาเขาโคดบอกว่าเอาสมบัติเหล่านี้ที่เราให้ไปอย่านํามาแสดงเข้าใจไหมพระาศาสดาให้อิทธิปฏิหารไปนี่นะเป็นสมบัติของเราเนะเราห้ามไว้ก่อนเธออย่าแสดงเพื่อเหติเหิงลาบเพื่อเหตุเหิงสการะเนะ้เธออย่าอย่าบริโภคก่อนช่วงเนี้ย ให้บริโภคอนุศาสนีกับ อ, อ, อ, า อ, อาเทศนาไปแต่อิทธิปฏิหารอย่าบริโภคนะตถาคตบัญญัติศิกขาบทไว้นั้นธรรมะมรดกอัน น, นี้อย่าบริโภคอย่าใช้สอยทั้งๆที่มีอย่าใช้สอยด้วยหเหตุแห่งลาบแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นนี่นะจะหนีหรือว่าต้องการที่จะไปณสถานที่ใดๆ ด, ด, ด้วยความรวดเร็วทั้งหลายเธอทำไปเถอะ อันนั้นมันเป็นคุณเครื่องที่ทรงอนุญาตไว้ไม่ใช่อนุญาตก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างงี้ให้ใช้ในการที่สมควรใช้ใช้ให้เป็นใช้ให้มีเหตุผลใช่ไหมใช้แล้วอย่าทําให้มีปัญหาอย่างถ้าพระปิณฑโละพระรัตวาชาใช้แล้วมีปัญหาเลยนี่เห็นไหมมาแล้วคนไม่ฟังทำกันแล้วคนก็จะเอาแล้วเอายึดเอาปฏิหารเอาอะไรกันเต็มไปหมดแล้วนี่คนเป็นกันอย่างเนี้ยลองที่มีพระสักรลบหนึ่งเขาไปแสดงอยู่ที่ปฏิหารไม่มีใครฟังอันมาเลยเดี๋ยนี้ยตามบมดเสร็จแล้ว ใช่มนู้แล้วไปนู้นแล้วตามกันไปเสร็จจะเหลือกี่คนยอมองคลจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ฟังไหมไม่จะมีใครไปแสดงปฏิหารใกล้ๆอย่างนี้ได้จริงๆไปหมดเลยไม่ต้องปฏิหารนั่นไะงนะแค่ถึงเวลากินข้าวก็นี้ออกมาหมดแล้ว <laughs> ไม่ต้องมีปฏิหารเลยหรอกตรงนี้ก็คือว่าให้เข้าใจว่าพระศาสดาทรงแสดงตีนี้ก็เลยบอกว่าบอกว่า ข้าพระองค์บอกว่าข้าพระองค์บอกว่าพระ อ, องค์สวยได้ไหมได้พระเจ้าข้าอาชญาไม่มีแก่ข้าพระ อ, องค์ข้าพระ อ, องค์กินของตนได้หมาบพิษอาชญาของพระ อ, องค์แผ่ไปในราชนจาจักรประมาณสามยอดใช่ชันใดสาม ย, ยอดนี่เท่าไหร่เ<ส>นี่ยนั่นแหละ นั่นแหละในบริเวณในบริเวณที่อุเชนยานของพระเจ้าพิมิสารเนี่ยแม้อาชยาของตถาคตก็แผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลเช่นั้นเอาดิออาช ья ของพระบรมศา ส, สดาแสนโกฏจักรวานเนี่ยเอาไมาถึงไปแสนโกฏจักรวาน อ, อานาเขตไงนั่นแหละเวลาพระ อ, องค์แสดงปริตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีคันธปริตทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละกินไปแสนโกฏจักรวาลเช่นั้นเหตุ น, นั้นศิกขาบทที่บัญญัติจึงไม่มีแก่ตถาคต แต่มีแก่ภาษาวกเราอื่นตถาก็จะทําปฏิหารพระองค์ผู้เจริญพระองค์จะทําปฏิหารเมื่อไรมหาวพิษตถาก็จะทําปฏิหารในอาสาลหาปุณณมีนับจากนี้ไปเท่าไรบวกสี่เดือนพระองค์จะกระทําที่ไหนพระเจ้าข้ามหาวพิษตถาก็จะทําที่โคนไม้คันธามพึกในกรุงสาวัตถีที่นเนี่ยเนี่ ย, ยที่นี่ตอนนั้นอยู่กรุงราชคลึ้พระศาสดาบอกจะมาทําอะไร มาทำปฏิหารที่ที่ไหนนะโคนต้นคันดํามาพฤกก็คือต้นมะม่วงในในกรุงสาวรรค์ถามว่าเหตุไรพระเจ้าจึงทรงอ้างสถานที่อันไกลอย่างนี้ตอบว่าเพราะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ทรงทำยม ก, กัดปฏิหารของพระเจ้าทุกๆพระองค์โอ้หน้าตื่นเต้นไว้เนี่ยเนีพระศาสดามาทมํายมกัดปฏิหารหน้าที่ตรงนี้ทุกๆพระองค์ ทั้งอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตก็จะมาทำดีตรงนี้ดูทีเราได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระศาสดาให้เข้ามานั่งณสถานที่พระศาสดากระทำยมากการปฏิหารท่านพระมามานฑ์ท่านมานั่งแต่านบอกท่านหลับไม่ลงทั้งคืนเลยที่ตรงนี้ตื่นเต้นเอาที่ปรารถนาจากบรรลุธรรมที่นี่ไหมล่ะ ว, ว่าไงบางคนโอขอมาฟังธรรมตรงนี้เราบรรลุตรงนี้ บางคลก็ตั้งอัธยาศัยไปพวกเดรัจฉีได้ฟังดังนั้นก็ได้ปรึกษากันว่าคราวนี้พวกเราฉิบหายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจะติดตามพระสมณโคดมผู้เสด็จไปที่นั้นจากนั้นพวกมหาชนเห็นพวกเราแล้วก็จะถามว่าเนี่อะไรกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะกล่าวกับพวกมหาชนนั้นว่าพวกเราจะทําปาฏิหารกับพระสมณโคดม พระสำนักโคโดมกําลังหนีไปพวกเราจักไม่ให้เสริโโมนะโคดมหนีไปจึงพากันติดตามเมื่อเป็นเช่นนี้ลาบสการะก็จกักไม่เกิดขึ้นเนะีก็คือเป้าหมายของเดรถีนี้คนก็คือต้องการทํำลายลาบสการะของฝ่ายตรงฝ่ายพระพุทธเจ้าฝ่ายพวกบรมศาสสาดาสเสด็จบิณฑบาตในกรุงราชคลีแล้วก็สเสด็จออกไปนะพวกเดรถีติดตามพระองค์ไปกระทําภะธกิจในสถานที่พระ ส, าาสดาทรงกระทําภะธกิจแล้วก็สเสด็จไป ลุงขึ้นชันอาหารเช้าในสถานที่ซึ่งตนพักอาศัยในการคืนเสร็จจึงออกเดินทางดิรัทธเหล่านั้นพอถูกชาวบ้านถามว่านี้เรื่องอะไรการจึงพากันบอกตามทํานองที่พวกเขาคิดกันไว้ก่อนหน้านั้นว่ามหาชนติดตามไปด้วยตั้งใจจะดูปฏิหารเม้ยพระศ า, าสดา ก, ก็แสดงถึงก็เสด็จถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับพวกดิลัทก็ไปพร้อมกันกับพระศาสดานั่นแหละเดินตามไปน่ชักชวนอุปถาก ของตนเองหนึ่งแสนคนให้สร้างบนดบด้วยเสาไม้ตะเคียนมุงบังด้วยดอกอุบลเขียวแล้วก็พากันนั่งทำทีให้ผู้อื่นเข้าใจว่าพวกเดระถีจะทำปริหารในที่นั้นแสดงมีคนนับถือเยอะแสนคนเห็นไหเอาเลยตั้งเป็นซุ้มเป็นอะไรเลยพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศ า, าสดามาแล้วเนี่ยนะเจ้าของที่ที่ตรงเนี้ย พระเจ้าปรสเซนต์ทีโกสนเนี่ยนะอยู่แฟนโกศนเมื่อวานนี้ที่ท่านาจานจิระใช่ไหมพูดบนรถเนี่ยว่าสาวัติเนี่ยสวัติที่เป็นที่เป็นที่อยู่ของฤาษีหรือว่าที่ตรงนี้เนี่ยซับสมบัติเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นหาได้ง่ายหาได้คล่องจึงเรียกว่าสาวัติเนี่ยเป็นเมืองที่พระเจ้าเปรสเซนต์ที่โกสนปกครองสาวัติก็เป็นเมืองหลวงไปงแล้วนอกสาวัติก็เป็นแฟร์นโกศนกว้างใหญ่ไพศาลเป็นหมหาอำนาจ นายกนั้นเป็นมหาอำนาจไม่ใช่เป็นพระเนี่ยคือเป็นแฟนที่มีอํานาจมากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ก ร, กรกาบทูลว่าพระ อ, องค์ผู้เจริญพวกเดรัจฉีให้คนสร้างบรดบแล้วทางข้าพระเจ้าจะสร้างบรดบเพื่อพระ อ, องค์อย่าเลยมหาบุพิตรแต่ถาคตมีคนสร้างบรดบให้แล้วไม่ต้องใช้มนุษย์สร้างเรื่องงานเนี่ยเพราะเป็นงานในการที่จะแสดงปฏิหาริย์นี่ พระ อ, องค์ผู้จเจริญเว้นข้าพระ อ, องค์คนอื่นใครเล่าจะสามารถสร้างถวายได้ก็ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นดินยิ่งใหญ่ปานนี้ใครที่จะสามารถสร้างมนตบถวายพระาศาสดาได้เท้าสากาเทวาาาราชสามารถสร้างได้ก็เท้าสากายกทรัพย์สมบัติถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเท้าสากาเนี่กับพระเจ้าเท้าสากาเหมือนอะไรเด็กวัดก็คือเด็กวัดดีๆนี่แหละก็คือคอยอุปถัมภ์พระเจ้า นะพูดถึงในฐานะไม่ใช่ดูหมินเทาาา้ทาสากา่าพระท้าสก่าท่านเป็นพระโสดาบันนะแต่ถ้าไปเทียบกับพระศ า, าสดาเนี่ยก็คือท่านเป็นเด็กว่าจริงๆท่านกราบทูลเฝ้าแล้วมาพูดคํานี้ทาาา้าสก่าก็ไม่โกรธแต่ามาด้วยเพราะเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นพระทาาา้าสก่าก็นอบน้อมถึงพระรัตนตรยนัยเนีนอบน้อมถึงพระรัตนตรยัยพระองค์จะกระทำปาฏิหาริย์ที่ไหนที่โคนไม้คันดามะพฤกมหาบ่อพิษอย่างนั้น พวกเดรัีได้ฟังข่าวสำนาโคาพระบรมศาสดาจะทำปฏิหารที่โคนต้นมะม่วงก็บอกอุปถายิกางตนเองนะอุปถาญตนเองนะว่าให้ถอนต้นมะม่วงที่เพิ่งเกิดในวันนั้นพายพื้นที่ประมาณหนึ่งโยต์16กิโลเมตรเนี่ยตัดต้นมะม่วงมาเลยแปลว่าก็ไม่มีต้นมะม่วงจกจะแดงอิทธิฤทธิ์ได้ยังไงใช่ก็ตัดต้นมะม่วงเลยนี่เวลาเท่าไรแล้วนี่ ที่นี่เท่าไหร่อ๋อถ้งา oh, ง, งั้นเราบินระ บ, บาดไม่ใช่อ๋อทานข้าวแปดมงเล ย, ย ง, งั้นอีกอีกพักหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวเหลือประมาณสักสามสิบนาทีเราจะบินระ บ, บาดกันนะบินระ บ, บาดพระเจ้าพระเสียรที่โกศลก็เฝ้าพระศาสดาดังกล่าวนะครั้งนั้นพระศาสดาก็เสด็จไปภายในพระนครในวันอาสารหาปุณณี อาสาหาบุญธรมีในเดือนอะไร <18. S 1> ฮะอาสาหาบุณรมี <18. S 1> อ๋อเดือนสามแต่ไงนั้นมาค้าแล้วเดือนแปดก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วไงที่แสดงเสร็จแล้วก็จะไปจำพรรษาไงลงหน้าลืมหลังซะแล้วพวกเรานี่หนึ่ง<ม>อาสาหาบูชาทีนี้นายคันทะคนเฝ้าพระราชอุทยานเห็นมะม่วงสุก มีผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างใบที่พวกมดดำมดแดงสร้างรังปกปิดกันไว้จึงไล่นกที่บินมาเพราะอยาเพราะได้กลิ่นหอมของรถมะม่วงนั้นให้หนีไปถือไปเพื่อจะถวายพระราชาเนี้ยเห็นพระบรมศาสดาเส ด, สเด็จระหว่างทางคิดว่าพระราชาสวยม่วงนี้แล้วพระราชาทานทราบตนเอง8กหาปณะบ้าง16หกหาปณะบ้างสิ่งนั้นพอเลี้ยงชีวิตเราอัตภาพเดียว ถ้าเราถวายมะม่วงนี้แด่ยวพระศ า, าสดาทานนากุศลนี้จกนําประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เราตลอดการอันหาที่สุดไม่ได้เนะ่ยเห็นไม่คิดเป็นไหมโอ้โหเห็นมะ oh, ม, ม่วงแล้วถ้าเราเอาไปถวายพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าเป็นดินก็ถวายแปดกหาปณะสิบหกหาปัะเป็นของพระเจ้าเป็นดินเนี่ยเนะแต่เราจะเอาและเพื่อจะไปถวายพระเจ้าอ้าวถ้าคอขาดแล้วไม่เป็นไรนี่ไง เจตนาแรงไหมสละชีวิตไหมเนี่ยสละแล้วถ้าถ้า ถ, ถ้าเขาจะฆ่าเขาจะจองจําก็ไม่เป็นไรเอ๊ะทำไมจึงมีจึงมียังสามารถเอาไปถวายพระธายาวได้เพราะตนเองน้อมแล้วสละชีวิตแล้วไม่ได้ลักขโมยด้วยนะเนื่อน้อมศรัทธาเอาไปถวายก็น้อมมะม่วงสุกเหล่านั้นไปถวายพระศาสดาเพราะเห็นคุณของทานกนะุศล นะถ้าพูดถึงทานกุศลเนี่ยจันมีชัยจะพูดบ่อยใช่ไหมถ้าใครรู้จักผลของทานกุศลอย่างที่ตถาคตรู้รู้จักอนิสงค์ของทานกุศลถือทานบา ร, รมีอย่างที่พระตถาคตรู้ที่จักไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มีนะต่อไปนะตั้งใจนะว่าต่อไปเราต้องให้ก่อนจึงค่อยบริโภคทีหลัง ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ให้เราจกไม่บริโภคก่อนทาได้ไหมตั้งเป็นตั้งเป็นจริยาวาดเออเป็นเป็นข้อปฏิบัติเป็นจารีศีลเลยได้ไหมเป็นข้อต้องปฏิบัติประจำเลยว่าต้องให้ก่อนถึงจะบริโภคจะให้ใครก็ได้ให้ลูกให้ล้านให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องก่อนถึงจกบริโภคถ้าไม่ให้จะไม่บริโภคจะไม่กินาทาได้ไหม โมทนาล่วงหน้าพระศาสดาทอดพระเนตรพระเอ็นพระอนุ์เถระลำดับนั้นพระเถระได้นำบาตรที่ท้ามหาพรหมมาถวายออกมาถวายพระศาสดาพระศาสดาก็น้อมบาตรรับผลมะม่วงสุกนั้นแสดงอาการที่จะประทับนั่งณที่ตรงนั้นพระเถระได้ปูราชีวรถวายครั้นเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งณที่นั้นแล้วพระเถระก็คันน้ามะม่วงนะสุกนั้นถวายพระศาสดาเสวยน้ำมะม่วงและตรัสกับนายคันดะว่า เธอจงคุ้ยดินแล้วปลูกมเมล็ดมะม่วงนะที่ตรงนี้เถิดให้ปลูกตรงนี้เลยให้ปลูกต้นมะม่วงตรงนี้ในยอมบลีนะให้นายคันดาปลูกให้ปลูกตรงนี้เถิดนายคันดานี่นะได้ทําตามรับสั่งแล้วพระศาสดาล้างพระหัตได้เหนือเม็ดมะม่วงอ่ะล้างเมื่อพระศาสดาล้างพระหัตถน่ยล้างมือเท่านั้นเน่ยต้นมะม่วงได้งอกขึ้นมาในลําต้นประมาณงอนไถ่เลยงอกขึ้นเดียวนั้นน่ย แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับสูงประมาณห้าอกมีกิ่งใหญ่5กิ่งนะในทิศทั้ง4กิ่งนะั่นนะในทิศเบื้องบนอีกหนึ่งกิ่งรวมเป็น5้ากิ่งกิ่งละห้าสอกทันใดนั้นเองต้นมะม่วงนั้นได้บานสะพรัง่งได้ดอกและผลและมีพวงมะม่วงสุกนะเพล็กซ์สูทั้งหลายที่เดินทางติดตามมาภายหลังพากันมาฉันมะม่วงสุกนั่นเอง โอ้โหเนี่ยงามทันดีเลยนี่สรุปแล้วที่ตรงนี้มีต้นมะม่วงขึ้นมาแล้วพอจะแสดงปฏิหารได้หรือยังพอแสดงได้แล้วนะตัเนี้ยนี่ไงพระศ า, าสดาพูดคำไหนตรัดคำไหนก็คำนั้นเลยไม่มีนะว่าพูดแล้วทำไม่ได้พระพระเจ้าเปอร์เซนที่โกสนได้สดับข่าวต้นมะม่วงเห็นปานี้เกิดขึ้นแล้วจึงตั้ง คน阿拉ขาไว้รับสั่งว่าอย่าให้ใครตัดต้นมะม่วงนั้นต้นมะม่วงนั้นปรากฏชื่อว่าต้นคันดำมะพฤกเพราะนายคันดะปลูกไว้ในครั้งนั้นพวกนักเลงกินผลมะม่วงสุกแล้วกล่าวว่าเฮ้ยพวกเดรศีชาชั่วว่าเสียหายเลยบอกว่าพวกท่านกล่าวว่าพระสัมณ์โคดมจะทมจะทรงทําปฏิหาริคนต้นคันดมามพฤกแล้วให้คนถอนต้นมะม่วงที่เกิดในวันนั้นภายในที่ประมาณหนึ่งยศ ต้นไม้ชื่อว่าคันดำผ้านี่นะแล้วได้เอ า, มาเมล็ดมะม่วงที่เป็นเด่นทั้งหลายคว้างปาเดร์ถีเหล่านั้นเลยกินมะม่วงแล้วไม่พอไปคว้างพวกเดรถด์ถีโกรธใหญนี่ท้าวสการรับสั่งให้แต่นี่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีนี้ท้าวสกาสั่งให้วาตวะลาหกคือเทพประบุรเนี่ยใช้ลมพัดถอนมนดบของพวกเดรถ์ถีไปตกบนกองคูณเนี่ยกองอุจจาระ บอกโอ้โหนี่ไหมบอกโยมที่เป็นยอมวัดในวังนั้นเดียวยอมที่เป็นยมวัดจัดการสั่งลูกน้องบอกช่วยถอนบนดบขงเทลตีไปทิ้งหน่อยเอาไปทิ้งที่ไหนทิ้งกองอุจจาระเทพประบุตรได้ทําตามรับสั่งท้าวสกาก็รับสั่งให้สุรยิยะเทพบุตรเนี่ยขมลัสมีดวงอาทิตย์ก็หมายความว่ า, วาแผดเผาให้ร้อนเทพปบุตรนั้นก็ทําตามรับสั่งท้าวสกะก็รับสั่งให้กับวาตะวา เวลาหกเทพบุตรนั้นนะกองลมตั้งขึ้นพัดเทพบุตรก็ทำร่างกายมีเหงื่อไหลออกของพวกเดรัจถีถูกเปลวธุลีโปรยลงเดรัจฉีเหล่านั้นก็เป็นเช่นกับจอมปวกสีแดงก็หมายความทำผ้าทิตให้ร้อนใช้ลมพัดฝุ่นก็ใส่นี่นะยังก็ปลวกจอมปวกที่ถูกอะไรเผาแล้วแดงจะขนาดนั้นนี่้าสกา ร, รับสั่งให เทพบุตรเแล้วโปยฝนเม็ดใหญ่ลงมาเทพบุตรเหล่านั้นก็ทําตามรับสั่งครั้งนั้นร่างกายของพวกเดรัธีเหล่านั้นก็เป็นเช่นกับโคโดางเลยตรนี้ลองคิดดูทีเนี่ยเป็นกา ร, รมของเดรัธีดเดรัธีเหล่านั้นถูกข่มเอาพากันวิ่งหนีไปตอนพวกเดรัธีกําลังหนีไปอย่างนั้นน่ยชาวนาคนหนึ่งผู้เป็นอุปถากของปุรณกัสปะคิดว่าบัดนี้ เป็นเวลาทําปฏิหารของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเราจะไปดูปฏิหารก็หมายความว่าอยากไปดูจานของตัวเองทําปฏิหารนั่นเองพวกผมมาประสงค์จะดูปฏิหารของพระผู้เป็นเจ้าท่านจะหนีไปไหนเนี่ยปุรณกัสปากก็กล่าวว่าเราจะดูปฏิหารไปทําไมจึงได้ให้หม้อและเชือกนี้แก่เราเถิดบอกท่านจงให้หม้อและเชือกแกเราเนี่ยปุรณกัสปากเขาได้ถือหม้อและเชือกที่ชาวนานั้นให้แล้วเดินไปที่ฝั่งแม่น้ํา บรรทุกซรายให้เต็มหม้อผูกไว้ที่คอของตนแล้วก็โดดลงในแม่น้ําทําให้ฟองผุดขึ้นมาตายไปแล้วไปเกิดในเวจีทันทีเลยเนี่ยไปเกิดในเวจีเลยไปเกิดในเวจีมหาในโลกเรียบร้อยแล้วพระศ า, ษ า, ษาสดาก็เสด็จออกจากวิหารก็ทําปาฏิหาริย์ที่ล้มไม้หนาทึบแล้วก็ประทับยืนอยู่ตรงหน้าลมไม้หนาทึบดำรลี่าบัดนี้เป็นเวลาทํายมกัปฏิหาริย์แล้ว ก็ชมนมภิกษุอุบาสกบาศิกาประชาชนเป็นลานกลมประมาณเท่าไรเจ็ดสิบสองโยตเจ็ดสิบสองโยตบริเวณรอบนี้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองโยตไปถึงนูน่นเลยกุศินาราเลยกุศินาราไปซะแล้ว จากุศินารามานี่ประมาณสี่รอกิโลใช่มจะเจ็ดสิบองกนี้ก็เลยตีเลยแล้วเรียบร้อยนั่นแหละน่าเสียดายนะเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยทําไมไม่มาฟังยมากลับไม่ฟังที่พระเจ้าแสดง อ, อ, อ, อ, อ, อทธิปฏิหารไม่มาดูอนะหรือดูแล้วก็เป็นมดเป็นปวกที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่ในครั้งนั้นในรายละเอียดตรงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะว่าคนอื่นเนี่ย ในที่ชุมนุมนั้นนะ่ยมีภิกษุมีภิกษุณีอุบาสกและบาสิกานะมีภิกษุนีอุบาส ก, ก, นะ ก, กบาสิกาประชาชนเนะ่ยเป็นลานกรม72็ดสโยตเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็พากันพร้อมเพียงมาชุมนุนนะกันในที่นั้นหมื่นจักรวาลมาแล้วมากันทั้งหมดเลยหนานแน่นมากครณีบาสิกาผู้เป็นอนาคามียนมีบาสิกาท่านหนึ่งนะเป็นพระนาคาเมนะชื่อครณีุบาสิกา ยืนอยู่เบื้องพระพักของพระบรมศาสดาในสมาคมการทูลฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมีธิดาเช่นหม่อมฉัน้นเป็นลูกไหะท่านเป็นลูกก็ดีฉันเป็นลูกของพระศาสดาพวกเราเป็นลูกไหมเราจะแสดงปฏิหารแทนพระศาสดาหน่อยได้ไหมก็เอาศีลสมาธิปัญญามาแสดงธรรมดาก่อนใช่ไหมใช้นุศาสนีใช้ให้พระธรรมเป็นอัศจรรย์ไงสมาทานศิกขาไง เราจะมีศีลห้าให้เป็น อ, อนุสาสนีปฏิหารให้มีฤทธิ์ฤทธิ์แบบศีลห้าทำได้ไหมไหมให้มีฤทธิ์แบบศีลห้าแล้วก็ให้กําหนดรู้ใจคนคนเองให้มีศีลห้าตลอดแล้ให้เป็นอัศจรรย์ด้วยให้ศีลห้าเกิดอย่างต่อเนื่องทำได้ไหมไให้เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกามมศีลนี่นนะั่นแหละให้ปฏิหารประเภทนี้เกิดก่อนได้ไม่ได้นะรับปากแล้วเนะ <Get it. S 1> ก็ทําปฏิหารเหล่านี้ถวายพระศาษษสดา ก็ในเมื่อดีชันเป็นเป็นเป็นทิดานีถ้าเป็นผู้หญิงดิชันเป็นทิดาถ้ายมมงคลก็กับผมเป็นบุตรเห็นไหของพระศาสดากับผมเป็นบุตรของพระศาสดากับผมเป็นดิฉันเป็นลูกเห็นไหมเป็นลูกสาวของพระศาสดาจกทําปาฏิหาริย์ด้วยการที่เจริญศีลห้าถวายเป็นพุทธบูชาดีไม่ดีนั่นแหละก็มาถวายเลยพวกเราก็ทําได้ระดับเล็กๆน้อยๆแต่ทําให้ต่อเนื่องนะ ไม่ใช่ตอนนี้มีศีลกลับไปถึงโรงแรมพอหิวขึ้นมาศีลหมดเลยอย่างนี้เนะอพอจะเข้าใจปฏิหารบ้างหรือยังเดนเนี่ยพอจะเก็บปฏิหารได้บ้างเนีย<อ>เมื่อที่ดาเช่นหม่อมชั้นเน่ยพระ อ, องค์จะไม่ต้องลําบากเนียกราบเท้าหน้าคาบบอกพระองค์ไม่ต้องไปลําบากพระศาสดาบําเพ็ญ บ, บ, บารมีสิบอุปปาลมีสิบปรมัธรบารมีสิบมาอย่างยาวไกลแล้วอย่าเหนื่อยพอระวรกายเลยดิฉันเป็นโูกเนี่ย ดิฉันจะทําแสดงแทนพระบรมศาสดาพระศาสดาไม่ต้องไปวิริยะอุตสาหามากนี่ไหมหม่อมฉันจะทําปฏิหารเองพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่ากรณีเธอจะทําอย่างไรพระศาสดาก็ถามด้วยพระเมตตาด้วยกรุณานะีเออลูกในทํานองอย่างเงี้ยลูกนี่เธอจะทําปฏิหารแทนพ่ออย่างไรถามด้วยน้ําน้ํา้พระสุรเสียงที่ไพเรานะนียถามว่าจะทําอย่างไร คร์นียบาซิกากราบทูลว่าหม่อมชันเนี่ยจะทําแผ่นดินใหญ่นีในห้องแห่งจั ก, กรวาลนี้เป็นน้ําแล้วดําลงไปเหมือนนกกาด้ำก็คือทําแผ่นดินเป็นน้ําแล้วจะดําลงไปนี้นึแสดงตนที่ขอบปากจั ก, กรวาลด้านทิศปะจีนแสดงตนที่ขอบปากขอบขอบจั ก, กรวาลที่ิศปัจจิมทิศอุดรทิศทักษิณแสดงตนในถ้ำกลางนั้นเหมือนกัน เมื่อพูดถามว่านั่นอะไรประชาชนกล่าวว่านั่นคารณีบาสิกานี้เป็นอนุภาพของหญิงนี้ก่อนก็อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรด้วยประการดังพันนาทิ้งนี้เดรัทธีได้ไม่ทันได้เห็นพระองค์ก็จะพากันหนีไปว่ากรณีขนาดนี้สาวกระดับอุบาสิกายัางขนาดนี้